เป็นผู้รู้แล้วเป็นผู้รู้แล้วรู้ดีรู้ชัวเรามชัวทำคมดีได้เราคมชัวทำคมดีได้ไรที่ไม่คมชัวหยุดต้องจำอะไรเป็นต้นไปสิ่งใดที่เป็นคมดีทำแต่เพิ่มจตเพิ่มนะใเลยเป็นที่เพิ่งก็อเข้ามานะใจเยนเป็นชวันอทิดแล้วบ่าทิตทิดแล้วคุณอคุณคืเรียกลูกชายว่าคิดคิดนะยินด ยันตอนนี้ไม่เรียกว่าปราชญ์ไม่ใช่นะทิศินะนแต่ท่านรู้แล้วท่านไปบทแล้วแม่ก็อยากทิต่ไปนี่ยเเรียกพ่อทิพอทิศโลกชาเป็นคนที่อบรมสั่งสอนมาดีแล้วพอทิพอทิดพ่อทิศแม่ทิศเราพ่อกระิเไปด้วยนะเ น, น่เนเนเยเอาปเก็บไว้ดีๆแต่ว่ามันใช่ไม่ได้แต่ว่าเอาเป็น อ, อนุศรได้ เวลาสอนเยเวลาเส้นหลงคอเป็นลูกไฟชาเ็นนั่นต้องไปคิดถึงได้บทดีดีบ้าเดืนนึงไ่ทําต่ท่ากับได้บทก็ไ้นเสียดีมากนครับหลองคจะไปท่าไหพด้วยได้เนาะได้ไหมได้ลได้ล 不<行><嗯>不<行>，派送可能去了。比亚迪派送了方案。不